13. จิตเป็นตัวทุกข์ลวนล้วนทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดนี้นะมันได้มาจากการรู้ทุกข์เท่านั้นเองได้มาจากการรู้กายรู้ใจนั่นเองบางคนเบื้องต้นก็ต้องรู้กายก่อนเพราะยังรู้ใจไม่ได้แต่สุดท้ายก็ต้องมาเข้าตะลุมบอลกันที่ใจนี้เองเพราะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลหรือมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นที่จิตที่ใจนี้เอง ฉะนั้นบางคนจะเริ่มต้นรู้กายก่อนก็ไม่เป็นไรดูใจยังไม่ถึงดูใจยังไม่เห็นมาดูกายกายเป็นบ้านใจเป็นเจ้าของบ้านเรายังหาเจ้าของบ้านไม่ได้เราก็ไปเฝ้าหน้าบ้านเอาไว้วันหนึ่งจะได้เห็นเจ้าของบ้านเดินอ้อมหน่อยก็ยังดีกว่าไม่เดินเลยการปฏิบัตินี่สิ่งที่ไกลที่สุดที่เราจะเรียนรู้ก็คือกายอย่าให้เกินกายออกไปไม่ต้องไปเรียนรู้ของภายนอก บางคนไปเดินจงกรมนะแล้วไปรู้พื้นว่าพื้นนี้แข็งพื้นนี้อ่อนพื้นนี้เย็นพื้นนี้ร้อนเราไปรู้พื้นทําไมเสียเวลาไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราหรอกเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่าให้เกินกายออกไปมารู้กายมากเข้ามากเข้าเราจะเห็นเลยว่ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนอย่างนั่งอยู่นะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยมันปวดมันเมื่อยนี่ใจเริ่มกระสับกระสายแล้วเรารู้เข้ามาถึงใจแล้ว รู้กายเห็นเวทนารู้เวทนาก็มาเห็นจิตเห็นใจเข้ามาเป็นลำดับลำดับนะเข้ามาถึงจิตถึงใจพอรู้ถึงจิตถึงใจแล้วก็ค่อยคอ ย, คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปจิตใจมีหน้าที่รู้สึกนึกคิดอย่าไปทำให้มันหมดความรู้สึกนึกคิดให้มันทำงานของมันตามปกติแล้วคอยตามรู้ตามดูไปนี่การปฏิบตัติต้องอย่างนี้นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันเห็นเลยว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยง ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่เป็นสุขนะพวกเรายังไม่สามารถเห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะฉะนั้นเราข้ามภพข้ามชาติไม่ได้เราจะเห็นว่ามันสุขบ้างทุกบ้างมันก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไม่เลิกหรอกแต่ถ้าวันใดสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะเห็นเข้ามาจนเห็นว่าจิตนี้ทุกข์ล้วนๆนะเวลามันจะเห็นเราไม่ได้นึกได้ฝันว่าจะเห็นอย่างนั้นไม่ได้เคยคิดมาก่อน ในขั้นของการปฏิบัติที่ผ่านๆมาเราจะรู้สึกว่าตัวจิตถ้ามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสุขถ้ามันเป็นผู้หลงเป็นผู้อยากเป็นผู้ยึดแล้วมันจะเป็นผู้ทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ทุกข์เป็นผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแล้วเป็นทุกข์เลยคิดว่ามีสองอย่างทีนี้เราภาวนามากเข้ามากเข้าถึงจุดหนึ่งเราจะพบได้อย่างอัศจรรย์เลยว่า จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉับพลันมันกลายสภาพเป็นตัวทุกข์ให้ดูได้นะเป็นทุกข์ล้นล้วนเลยทุกจนไม่มีที่จะหยางลงมีแต่ทุกข์กระดังขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้ น, นเหมือนเราจะตายเลยนะจิตใจจะระเบิดแล้วถ้าระเบิดนะถ้าไม่บ้าก็ตายถ้าไม่ตายก็บ้ามันจะรู้สึกถึงขนาดนั้นความทุกข์มันรุนแรงพอรุนแรงถึงขีดสุดเนี่ยยอมตายเลิกดิ้นรนคล้ายๆเราถูกอันธพาลไล่ชกมาไล่ชกเรา ก็สู้บ้างหนีบ้างจนมาจนตรอกแล้วหลังพิงกำแพงไม่มีทางหนีอีกต่อไปแล้วสู้ก็สู้ไม่ได้พอถึงจุดนั้นเราจะเห็นเลยจิตนี้ไม่ใช่ของที่จะถนอมรักษาเอาไว้ได้แล้วจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนเลยนี่ถึงจะยอมนะยอมตายเหมือนเราถูกซ้อมหนักๆเออตายก็ตายซะจะได้หายเจ็บเสียทีนี่เทียบทางร่างกายนะเทียบทางจิตใจก็คือมันทุกข์รุนแรงจนหมดปัญญาที่จะดิ้นรนต่อสู้อีกต่อไปแล้วยอม ยอมแล้วช่างมันเถิดอะไรจะเกิดก็ช่างมันเถอะจะตายก็ตายนะจะบ้าก็บ้านะพอมันสุดขีดของมันปัญญาแจ่มแจ้งเห็นตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันสลัดนะคําว่าในเครื่องหมายคําพูดปตินิสักะการสลัดคืนมันไม่ใช่เป็นแค่วาทะมันสลัดคืนจริงๆมันทิ้งจริงๆมันปล่อยจริงๆทุกวันเราจะหยิบฉวยจิตขึ้นมาเพราถึงจุดสุดท้ายรู้แล้วว่าหยิบขึ้นมามันทุกข์ล้วนๆมันจะทิ้ง แต่เดิมคิดว่าเป็นของดีของวิเศษไม่ทิ้งนะฉะนั้นการปฏิบัติมีแต่เรื่องเห็นทุกข์ถ้าเห็นกายเห็นใจลงเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงมันจะวางเป็นลำดับลำดับไปเริ่มวางกายไปก่อนกายเป็นของวางง่ายถ้าวางความยึดถือกายเด็ดขาดได้พระอนาคามีวางความยึดถือจิตเด็ดขาดก็หมดทุระจะรู้สึกเลยหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ทาต้องทาเสร็จแล้ว กิจที่จะต้องทำอีกไม่มี